ผ่านมาแล้วผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วไม่ได้ฝึกเอาดีหรอกเพราะดีก็ไม่เที่ยงกลับ ข, ขอบคุณจ้ะต้องมีอะไรแก้ไขไหมคะรัอาจารย์ะ<ม>จะมีอะไรแก้ไขเพิ่มเติมไหมคะไม่แก้สินะแไปจัดการกับความคิดที่ว่าทำยังไงแล้วจะดีทำยังไงก็ไม่ดีช่ไห้นะว่าทำก็คือปรุงแต่งถ้ารู้ทันความปรุงแต่งถึงจะดี ข, ขอบคุณะ